11บเอสุตระสูตรว่าด้วยธรหนึ่งถึง10ประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุ ส, สงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกธรณีชื่อคักคราเขตกรุงจำปาณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคาแล้ว ท่านพระสารีบุรจึงกล่าวว่าเราจะกล่าวทสุตระสูตรอันเป็นธรรมเครื่องปลดเปลื้งกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานเพื่อทมที่สุดทุกธรรมหนึ่งประการ ทำหนึ่งประการที่มีอุปการะมากทำหนึ่งประการที่ควรเจริญทำหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู้ทำหนึ่งประการที่ควรละทำหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากทำหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่ง ทำหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งทำหนึ่งประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายนี้คือทำหนึ่งประการที่มีอุปการะมากทำหนึ่งประการที่ควรเจริญคืออะไรคือกายกคตาสติสหรโคตด้วยความสำราญนี้คือทำหนึ่งประการที่ควรเจริญทำหนึ่งประการที่ควรกําหนดรู้คืออะไร คือพัรษะที่ยังมีอาสวะมีอุปาทานนี้คือธรรมหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู rugged rugged ้ธรรมหนึ่งประการที่ควรละคืออะไรคืออสมิมานะความถือ ต, ตัวว่าเป็นเรานี้คือธรรมหนึ่งประการที่ควรละธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออโยนิโสมนานสิการนี้คือธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม ธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือโยนิโสมนสิกานนี้คือธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือเจโตสมาธิอันมีลำดับติดต่อกันไปนี้คือธรรมหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณอันไม่กำเริบ นี้คือทำหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้คือทำหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งทำหนึ่งประการที่ควรทําให้แจ้งคืออะไรคือเจโตวิมุตติอันไม่กําเริบนี้คือทำหนึ่งประการที่ควรทําให้แจ้งทำส10ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาด ไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู paradise, ้แล้วโดยชอบด้วยประการศนี้ทำสองประการทำสองประการที่มีอปการะมากทำสองประการที่ควรเจริญทำสองประการที่ควรกำหนดรู้ทำสองประการที่ควรละทำสองประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำสองประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำสองประการที่แทงตลอดได้ยาก ทำสองประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำสองประการที่ควรรู้ยิ่งทำสองประการที่ควรทำให้แจ้งทำสองประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือ1สติความระลึกได้2สังสมปัญญะความรู้ตัวนี้คือทำสองประการที่มีอุปการะมากทำสองประการที่ควรเจริญคืออะไรคือหนึ่งสมถะ การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิสองวิปัสสนาความเห็นแจ้งนี้คือทำสองประการที่ควรเจริญทำสองประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือ 1. นาม 2. รูปนี้คือทำสองประการที่ควรกำหนดรู้ทำสองประการที่ควรละคืออะไรคือ 1. อวิชชาความไม่รู้แจ้ง สอภาวะตันหาความอยากในพบนี้คือทำสองประการที่ควรละทำสองประการที่เป็ น, ปนไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือ 1. โทว จ, จัสตาความเป็นผู้ว่ายาก 2. ปงบาปมิตตาความมีบาปมิตนี้คือทำสองประการที่เป็ น, ปนไปในฝ่ายเสื่อมทำสองประการที่เป็ น, ปนไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไร คือ 1. โซวะจัตตาความเป็นผู้ว่างง่าย 2. กาลยานามิตตาความมีกาลยานามิตนี้คือธรรมสองประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมสองประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือ 1. ธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย 2. องธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย นี่คือทำสองประการที่แทงตลอดได้ยากทำสองประการที่ควรให้เกิดขึ้น est. คืออะไรคือยานสองได้แก ion, ่ 1. ขยะยานความรู ion, enfin ้ในการสิ Wine, ้นกิเลส 2. อนุปาทยานความรู้ในการไม่เกิดกิเลสนี้คือทำสองประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำสองประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือท่าสองได้แก่ 1. สังคตาธาตุธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 2. อ, งอสังคตาธาตุธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี้คือทำสองประการที่ควรรู้ยิ่งทำสองประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือ 1. วิชาความรู้แจ้ง 2. วิมุติความหลุดพ้นนี้คือทำสองประการที่ควรทำให้แจ้ง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 ทำสามประการที่มีอุปการะมากทำสามประการที่ควรเจริญทำสามประการที่ควรกำหนดรู้ทำสามประการที่ควรละทำสามประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำสามประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำสามประการที่แทงตลอดได้ยากทำสามประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำสามประการที่ควรรู้ยิ่ง ทำสามประการที่ควรทาให้แจ้งทาสามประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือ 1. สั ป, ปุริสสสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 2. สังธรรมสวรนณะการฟังพระสัทธรรม 3. ามธัมมานุธัมรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม นี้คือทำสามประการที่มีอุปการะมากทำสามประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสมาธิ3ได้แก่ 1. สมาธิที่มีทั้งวิตกและมีวิจารสองสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสามสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารนี้คือทำสามประการที่ควรเจริญ ทำสา3ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือเวทนาสามได้แก่ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อทุกขมาสุขเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขนี้คือทำสามประการที่ควรกำหนดรู้ทำสามประการที่ควรละคืออะไรคือตัณหาสได้แก่ 1. นกามาตัญหาความทยานอยากในกาม 2. ภวะตัญหาความทยานอยากในภพบ 3. วิภาวะตัญหาความทยานอยากในวิภพนี้คือทำสามประการที่ควรละทำสามประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออากุศลมูล3ได้แก่ 1. อากุศลมูลคือโลภะความอยากได้ 2. อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้าย 3. อกุศลมูลคือโมหะความหลงนี้คือทำสามประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำสามประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือกุศลมูลสได้แก่ 1. กุศลมูลคืออโลภะความไม่อยากได้ 2. กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้าย 3. กุศลมูลคืออโมหะความไม่หลงนี้คือทำสามประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำสามประการที่แทงตลอดได้แยกคืออะไรคือท่าที่สลัดสามได้แก่ 1. นึ่งท่าที่สลัดกรมคือเนคขมมะ 2. ท่าที่สลัดรูปคืออรูป 3. การสลัดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือนิโรธนี้คือทำสามประการที่แทงตลอดได้ยากทำสามประการที่คุรนี้เกิดขึ้นคืออะไรคือยานสได้แก่ 1. อตติตังสยานยานอย่างรู้ส่วนอดีต 2. อนาคตังสยานยานอย่างรู้ส่วนอนาคต 3. ปัจจุ ป, ปันนางสยาน ยานอย่างรู้ส่วนปัจจุบันนี้คือทำสามประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำสามประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือท่าสได้แก่ 1. การมาธาตุธาตุคือกามาพบ 2, รูปธาตุธาตุคือรูปประพบสาอรูปธาตุธาตุคืออรูปประออรปปพบนี้คือทำสามประการที่ควรรู้ยิ่ง ทำ3ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือวิชา3ได้แก่ 1. วิชาคือความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้ 2. วิชาคือความอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย 3. วิชาคือความอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 2. นี้คือทำสามประการที่ควรทำให้แจ้ง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 ทำสีประการ ท, bien, Circuit, ท uno, hay hay trendy, ี่มีอุปการะมากทำสีประการที่ควรเจริญทำสีประการที่ควรกำหนดรู้ทำสีประการที่ควรละทำสีประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำสีประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำสีประการที่แทงตลอดได้ยากทำสีประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำสีประการที่ควรรู้ยิ่ง ทำสีประการที่ควรทำให้แจ้งทำสีประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือจากสีได้แก่ 1. ปฏิรูประเทสวาสะการอยู่ในถิ่นที่ดีสสปุริสะสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 3. อั ต, ตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบ 4. อุเบกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในก่อนแล้วนี้คือธรรมสีประการที่มีอุปการะมากธรรมสีประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสติปัฏฐานสีได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้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 กวลิงการาหานอาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียด 2. อผัสผสะหารอาหารคือผสัสสะ 3. มโนสั ญ, ญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนา 4. วิญญาณาหารอาหารคือวิญญาณนี้คือทำสี่ประการที่ควรกําหนดรู้ทำสี่ประการที่ควรละคืออะไรคือโอคะ วงน้ำคือกิเลสสี่ได้แก่ 1. กามโมคะโอคะคือกาม 2. พโวคะโอคะคือพบ 3. ทิทโถคะโอคะคือทิฐิ 4. อวิชโชคะโอคะคืออวิชชานี้คือทำสีประการที่ควรละทำสีประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือโยคะ เครื่องเกาะเกี่ยวสี่ได้แก่ 1. กามโยคะโยคะคือกาม2ภาวะโยคะโยคะคือพบ 3. ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ 4. อวิชายโยคะโยคะคืออวิชชานี้คือธรรมสีประการที่เป็นไปนในฝ่ายเสื่อมธรรมสีประการที่เป็นไปนในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือวิสังโยคะ ความพลากสี่ได้แก่ 1. กามโยควิสังโยคะความพลากจากกามโยคะ 2. ภวะโยควิสังโยคะความพลากจากภวะโยคะ 3. ทิฏฐิโยควิสังโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะ 4. อวิชชาโยควิสังโยคะความพลากจากอวิชชาโยคะ นี้คือทำสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำสี่ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือสมาธิสี่ได้แก่ 1. หานภาคิยะสมาธิสมาธิฝ่ายเสื่อม 2. อิติภาคิยะสมาธิสมาธิฝ่ายดำรง 3. วิเศษภาคิยะสมาธิสมาธิฝ่ายวิเศษ 4. นิเพทภาักคียะ ส, สมาธิสมาธิฝ่ายชั่แรกกิเลสนี้คือทำสีประการที่แทงตลอดได้ยากทำสีประการที่ขนี่เกิดขึ้นคืออะไรคือยานสีได้แก่ 1. ธรรมยานความรู้ในธรรม 2. อันวยะยานความรู้ในการคล้อยตาม 3. ปริยะยานความรู้ในการกําหนดจิตของผู้อื่น 4. สมมติยานความรู้ในสมมตินี้คือธรรมสีประการที่ควรใี้เกิดขึ้นธรรมสีประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออริยสัจว์่ได้แก่หนึ่งทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกสองทุกขสมุทัยอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกสามทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับแห่งทุก สีทุกขนิโรธคาเมณีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้คือธรรมสีประการที่ควรรู้ยิ่งธรรมสีประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะสได้แก่ 1. โซดาปฏิพล 2. ส, สกะทาคามิผล 3. อนาคามิผล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 ทำหาประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือองค์ของผู้บำเพ็ญความเพียรห้าได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ่เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตระสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาภาษน้อยโรคเบาบางประกอบด้วยไฟ่าสํสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบาเพ็ญเพียร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 เห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้คือธรรมประการที่มีอุปการะมากธรรมประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมมาสมาธิประกอบด้วยองค์5ได้แก่ 1. มีปิติแผ่ไป 2. มีสุขแผ่ไป 3. มีการกำหนดรู้จิตผู้อื่นแผ่ไป 4. มีแสงสว่างแผ่ไป หปัจจเวกขณะยานเป็นนิมิตนี้คือธรรมหประการที่ควรเจริญธรรมหประการที่ควรกําหนดรู้คืออะไรคืออุปาทานขันต์กองแห่งความยึดมั่น5้าได้แก่ 1. รู ป, ปูปาทานขันต์อุปาทานขันต์คือรูป 2. เวทนูปาทานขันต์อุปาทานขันต์คือเวทนา 3. สัญญาปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณ น, นี้คือทำห้าประการที่ควรกำหนดรู้ทำห้าประการที่ควรละคืออะไรคือนิวรหได้แก่ 1. กรรมฉันทะความพอใจในกรม 2. พยาบาทความคิดร้ายสถีนมิทะความหดหูและเสื่องซึม 4. อุทจักปุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนี้คือทำหประการที่ควรละทำหประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือกิเลสเคลื่อนกลึงจิตดุจตะปูหได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้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 นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูประการที่1 2. เคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3. เคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 4. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศิกขาข้อที่จะต้องศึกษา 5. เป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะความคิดประทุสร้ายกระทบ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 นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตะปูประการที่5นี้คือธรรมหประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมหประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคืออินทรีย์5ได้แก่ 1. สัตตินรียอินทรีย์คือศรัทธา 2. วิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะ 3. สตินสีอินทรีย์คือสติ สีสมาทิส4อินทรีย์คือสมาธิ 5. ปัญญิน4อินทรีย์คือปัญญานี้คือทำหประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำหประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือท่าที่สลัดหได้แก่ 1. เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มนุิยการการมทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไปในการรมทั้งหลายแต่เมื่อเธอมาณสิการเน่ฆัมมะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเน่ฆัมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดําเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัย เธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดการมทั้งหลาย 2. เมื่อภิกษุมนสัสการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสัสการอภยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอภยาบาท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 เป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพระออกดีแล้วจากสักกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแคนซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักกายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสักกายะนี้คือทำห้าประการที่แทงตลอดได้ยาก ทำห้ประการที่ควรใี้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัมมาสมาธิประกอบด้วยญาณหได้แก่ 1. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป 2. ยญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิ t h ส 3. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้ไม่ใช่บุรุษชั่วเสพแล้ว 4. ยานย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบปราณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นและไม่ใช่บรรลุได้ด้วยการข่มทำที่เป็นฆาสึกห้ามกิเลสด้วยสสังขาราจิต 5. ้ายานย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรานั้นมีสติเข้าสมาธิ และเรามีสติออกจากสมาธินี้นี้คือทรหม5ประการที่ควรให้เกิดขึ้นทรหม5ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือวิมุตตายตนะเหตุแห่งความหลุดพ้นหได้แก่หนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนปรมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิษุในพระธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนพรมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่หนึ่ ง, งพระศาสดาหรือเพื่อนโพรมจารีบางรูป ผู้ตั้งอยู่ในฐา น, นะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมในธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาที่เธอแสดงแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติลายย่อมสงบ cap.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 แต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาที่เธอสาธยายโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุข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 ไม่ได้สาธยายทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิษษดารและไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนัสิกการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดี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 ทำห้าประการที่ควรทําให้แจ้งคืออะไรคือธรรมขันห้าได้แก่ 1. ศีลขันกองศีล 2. สมาธิขันกองสมาธิ 3. ปัญญาขันกองปัญญา 4. วิมุติขันกองวิมุติ 5. วิมุติญาณทัศนขันกองวิมุติญาณทัศนะนี่คือทำห้าประการที่ควรทําให้แจ้ง